ชีวประวัติพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลตำบลคอใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรนามสกุลชัยเสยงาท่านเกิดเมื่อวันที่ ส2องกรกฎาคมพุทธศักราชสอง7สตรงกับวันเสาร์ขึ้นสสองค่าเดือนแปปีชวดนับ้านศรีฐานตําบลกระจายอําเภอลุมพุกจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอําเภอลุมพุกเปลี่ยนเป็นอําเภอคำเขื่อนแก้วขึ้นกับจังหวัดยะโสธร และปัจจุบันบ้านสีฐานเป็นตำบลตำบลสีฐานขึ้นกับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสทรท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันห้าคนเป็นชายสามเป็นหญิงสองบิดาของท่านชื่อนายบุญจันทร์มารดาชื่อนางอกมาชัยเสนาท่านเป็นบุตรคนที่สาม พี่ชายของท่านคนหัวปีได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเล็กส่วนพี่ชายคนรองก็ได้เสียชีวิตไปอีกในตอนที่มีครอบครัวและมีลูกสามคนแล้วยังเหลืออยู่แต่น้องสาวของท่านสองคนชื่อนางกองจันใดและนางแก้วป้องกันประถมะวัย การศึกษาอุปสมบทโยมแม่ของท่านเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะปฏิสนธิโยมแม่ของท่านฝันว่ามี่โคนอหอกของไปให้แล้วบอกโยมแม่ของท่านว่านี้เป็นของฝากของเทวดาให้เก็บรักษาเอาไว้เมื่อแก้ออกดูเป็นซองกับหวีต่อมา โยมแม่ของท่านก็ตั้งท้องเมื่ อ, อยังเป็นเด็กท่านได้ช่วยพ่อแม่ผู้มีอาชีพทำนาและช่วยในกิจการทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้เมื่อท่านอายุครบพอเข้าโรงเรียนแล้วก็ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นป .4 ครั้นเรียนจบชั้นป .4 แล้วท่านก็ได้ช่วยพ่อแม่ทำนาต่อไป จนอายุครบยี่สิบปีจึงได้อุปสมบทเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสอง7เจก่อนเข้าพรรษาเจวันนักพัทธสีมาวัดป่าสำราณิเวศตําบลบ้านบุงอําเภออํานาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูทัศนวิสุทธ์มหาดุสิตเทวิโร เป็นพระอุปชาซึ่งเป็นพระอุปชาเดียวกันกับพระอาจารย์จวนกุลเชตโถวัดภูทอกแต่พระอาจารย์สิงห์ทองบวชหลังหนึ่งพรรษาครั้นบวชแล้วได้มาจำพรรษาณนะวัดป่าสีฐานในซึ่งเป็นวัดป่าของหมู่บ้านสีฐานโดยมีพระอาจารย์บุญสิงเป็นพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ด้านสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์บุญสิงห์องค์นี้บวชที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านเกิดที่บ้านหัวเมยทุกวันนี้เข้าใจว่าเป็นอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเดิมท่านเป็นครูประชาบ้าน ต่อมาท่านได้ลาออกนิสัยของท่านเป็นคนพูดน้อยและไม่เคยดุใครเลยท่านขยันทำความเพียรมากปกติพอฉันจงหันเสร็จท่านมักจะเข้าที่เดินจงกรมท่านเดินได้ตลอดวันไปเลิกเอาเวลาประมาณบ่ายสี่โมงซึ่งเป็นเวลาทากิจวัตรปัดกวาดลานวัดและตักน้ำใช้ น้ำฉันเป็นต้นเมื่อสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชพระยังเป็นตาปะขาวอยู่ท่านได้ฝึกหัดด้านสมาธิภาวนากับท่านพระอาจารย์สิง์ขันตยาโคมโมที่วัดป่าสารวันท่านเคยอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลา14วันเพื่อทำความเพียรให้จิตสงบ ในช่วงเวลาที่อดอาหารนั้นท่านได้ทำข้อวัดคือท่านตักน้ำใส่ตรงใส่โอง่งใส่ไหให้ครูบาอาจารย์ในวัดทุกวันโดยท่านตั้งใจไว้ว่าตราบใดยังรู้สึกว่าการหากน้ำยังหนักอยู่จะไม่ยอมหยุดจะทำหยูออย่างนั้นเมื่อเต็มหมดตามโอง่งตามตรงตามไหยแล้วท่านก็รดน้ำต้นไม้ต่อ ทำจนว่าไม่มีความรู้สึกหนักหากน้ำข้างละหนึ่งปีท่านว่าเหมือนเดินไปตัวเปล่าแล้วท่านจึงได้หยุดท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ทำจริงอย่างที่ว่าพูดน้อยแต่ต่อยมากครั้งนี้หมายความว่าการที่ผู้ประสงค์จะบวชเป็นพระกรรมฐานสมัยก่อนนั้น ครูบาอาจารย์จะทดสอบด้านสมาธิภาวนาให้เป็นที่พอใจแล้วจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระได้บางรายสามปีก็มีอยู่ด้วยพระอาจารย์บุญสิงเมื่อท่านพระอาจารย์สิงทองได้มาอยู่ในความดูแลของท่าน พระอาจารย์บุญสิงห์ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านว่าการทำความเพียรไม่ให้ถือเอาเวลาให้ถือเอาความสงบเป็นสำคัญให้ทำความเพียรไปจนกระทั่งจิตสงบลงรวมจึงหยุดหมายความว่าไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงก็ตามถ้าจิตยังไม่สงบแล้วห้ามเลิก คือท่านทำของท่านแบบนั้นถ้านในกรณีจำเป็นเช่นจะต้องไปบินทบาทฉันจังหันเมื่อเสร็จจิตแล้วให้เข้าที่ภาวนาต่อจนกว่าจิตจะลงรวมได้จึงจะหยุดพักผ่อนท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่ามีคราวหนึ่งท่านพาเดินทางไปทุระเดินไปตลอดวันเวลาพัก ก็พักในโบทด้วยกันท่านเตือนว่าอย่าเพิ่งนอนเลยให้ทำจิตให้สงบก่อนท่านนอนเลยมันจะนอนมากถ้าได้พักจิตให้สงบก่อนแล้วนอนหลับนิดเดียวก็อิ่มท่านเตือนอย่างนั้นแล้วต่างองค์ต่างก็ลงเดินจงกรมพอเหนื่อยก็เข้ามาพักแต่ท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ท่านยังไม่เข้ามา ท่านเดินจงกรมอยู่นั่งภาวนาไปพอสมควรแล้วก็ล้มนอนลงเวลาตื่นขึ้นมามองเห็นท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ท่านนั่งสมาธิอยู่เลยไม่ทราบว่าท่านนอนเมื่อไหร่ท่านทําให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนั้นเสมอเสมอท่านพระอาจารย์บุญเพงวัดถ้ำกลองเพลงได้เคยเล่าให้ฟังครั้ง สมัยทจท่านยังเป็นสัมมเนยอยู่ว่าท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ชวนไปภาวนาที่ป่าช้าคือป่าช้าบ้านสีฐานท่านพาเดินจงกรมทีแรกก็คิดในใจว่าจะเดินแข่งกับท่านว่าคนแก่จะเดินเก่งขนาดไหนแต่พอเดินไปเดินไปเจ้าหนุ่มน้อยเหนื่อยสู้ไม่ไหวก็เลยขึ้นกับแคร่นอน พออตื่นขึ้นมายังมองเห็นท่านยังเดินอยู่จนจะถึงเวลาปัดกวาดคือสี่ถึงห้าโมงเย็นท่านจิงพากลับบทเวลาท่านนั่งท่านก็นั่งได้ทั้งวันอีกแหละท่านเป็นคนที่ทำจริงทำจังเอามากภาวนาไม่เป็นมันก็อยู่ไม่ได้แหละเพราะทำไม่ถอย เดินจงครมของท่านอาจารย์บุญสิงห์มีอ่สามเส้นแต่ละเส้นเดินจนเป็นร่องลึกต้องได้ถมกันอยู่บ่อยๆท่านพระอาจารย์สินทองกล่าวว่าท่านอยู่ได้เพราะมีพระอาจารย์ผู้นําดีท่านปฏิบัติ ด, ดีให้เห็นเป็นตัวอย่างทําให้ท่านพระอาจารย์สินทองมีความมานะพยายามเดินจงครม ในด่านสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระอาจารย์ของท่านเวลากลางคืนเมื่อประจับเส้นถวายท่านถ้าวันไหนจิตไม่สงบท่านจะพูดธรรมะในด้านอสุภกรรมฐานให้ฟังถ้าวันไหนภาวนาดีจิตสงบท่านพระอาจารย์จะนิ่งไม่พูดอะไรเกิดสุบินนิมิต การภาวนาของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองในภาษาต้นๆ น, นั้นง่ายจิตของท่านสงบลงรวมได้ง่ายแม้กระทั่งทาวัดไหว้พระสวดมนต์อยู่กม่ขณะกำหนดไปตามจิตของท่านก็สามารถสงบลงรวมได้เป็นบางครั้งแต่ความตั้งใจของท่านนั้นตั้งใจว่าจะลาปิกขาเปล่งว่า ถ้าทำความเพียรมากแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์จะไม่สึกครั้นเมื่อท่านตัดสินใจที่จะไม่สึกแน่นอนแล้วการภาวนาจะยากไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าสีฐานในนั้นท่านได้เกิดสุบินิมิตรปรากฏว่ามีปานะสามชนิดคือ ช้างเผือม้าขาวและวัวอุสุภราชท่านมีความรู้สึกในความฝันว่าท่านได้ขี่พาหนะทั้งสามตัวนั้นท่านองเดียวแต่ขี่พาหนะได้ทั้งสามตัวในขณะเดียวกันและได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงออกมาจนหมู่บ้านดังออกมายังศาลาที่วัดคล้ายกับว่าชาวบ้าน จะมาทอดพระป่าหรือทำการกุศลชนิดใดชนิดหนึ่งแต่พอมาถึงปรากฏว่าไม่มีคนมีแต่ดอกไม้นานาชนิดลอยมาสูงระดับหน้าอกแล้วเวียนรอบศาลาก็พอดีท่านรู้สึกตัวตื่นจากความฝันนี่เป็นเหตุให้ท่านมีความมั่นใจว่าการบวชของท่านนั้นจะบรรลุผล อันพึงพอใจในช่วงที่อยู่วัดป่าสีฐานในนั้นท่านพระอาจารย์สินทองก็ได้ศึกษาคือเรียนนักธรรมควบคู่กันไป ก, นกับการปฏิบัติภาวนาและท่านก็สอบได้นักธรรมชั้นโทในช่วงพรรษาแรกในช่วงระหว่างที่ท่านอยู่วัดสีฐานในนั้น มีชาวบ้านสีฐานไปติดเชื้อพิดาตมาจากที่อื่นและมาป่วยตายที่บ้านสีฐานชาวบ้านยังไม่รู้จักก็่าดกันไปงานศพตามประเพณีของทางสารคนที่ไปงานศพนั้นติดเชื้อพิดาษทุกคนฟังว่าเชื้อนี้ไปจากเพชรบูรณ์คนที่ตายคนแรกเป็นทหารสมัยเพชรบูรณ์โรคนี้จึงระบาดไปทั่วทั้งหมู่บ้าน มีคนตายวันละเจ็ดถึงแปดคนทุกวันจนชาว บ, บ้านส่วนใหญ่อบพยพออกจากหมู่บ้านไปอยู่ตามทุกงนาและภายในหมู่บ้านเงียบเหงาวังเวงมากเมื่อมีคนตายชาวบ้านก็มานิมนต์พระไปสวดมัติกาบางสุกุลทำบุญให้กับผู้ตายระหว่างนี้วันหนึ่งท่านพระอาจารย์สินทองท่านฝันว่า ท่านพระอาจารย์เพียนสมัยท่านยังเป็นเด็กเอาพุลูกเหล็กคือไม้สางมายิงท่านท่านห้ามว่าอย่ายิงอย่ายิงก็ไม่ฟังก็เลยยิงท่านจริงๆท่านว่าเขาไม่รึกเท่าไหร่และท่านอาจารย์เพียนพูดว่ายิงแค่นี้จะเปื่อยไปทั้งตัวนะแล้วท่านอาจารย์ก็เลยหักพุคือไม้สางแล้วตีท่านอาจารย์เพียน จนลืดอากทั้งตัวท่านพระอาจารย์เพียงนี้ท่านเป็นญาติกับท่านพระอาจารย์สินทองคือโยมแม่ของท่านอาจารย์เพียงเป็นพี่สาวของโยมพ่อพระอาจารย์สินทองพอรู้ตัวตื่นขึ้นเมื่อได้โอกาสท่านก็เล่าความฝันนั้นถวายพระอาจารย์บุญสิงห์และท่านพระอาจารย์บุญสิงห์ ก็ทำนายความฝันนั้นได้มั่นยําว่าท่านจะต้องเป็นผีดาษกับเขานะแต่ไม่ตายดอกเพราะท่านได้ชนะเขาพอท่านทราบดังนั้นท่านจึงได้หลบโรครายนี้ไปพักอยู่วัดหนองไครตตาบนหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวันหนึ่ง ขณะท่านเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่ามีความรู้สึกเหมือนแผ่นดินหมุนติ้วจนท่านไม่สามารถยืนอยู่ได้จึงล้มตัวลงแล้วค่อยพยุงตัวไปยังที่พักแล้วปรากฏว่าปวดหัวอย่างแรงท่านจึงลุกขึ้นนั่งภาวนาโดยตั้งใจว่าถ้าความปวดนี้ไม่หายเมื่อใดจะไม่ยอมเลิกตั้งใจเสียสละชีวิต ต่อสู้ทุกข เ, เวทนาถึงอย่างไรจะต้องพิจารณาให้รู้จักทุกข เ, เวทนานี้ให้ได้ท่านได้ต่อสู้ทุกข เ, เวทนาจ น, จนจิตของท่านสงบและปรากฏว่าทุกข เ, เวทนาหายเงียบไปหมดพอทุกข เ, เวทนาหายไปหมดแล้วท่านจึงออกจากสมาธิแล้วรวมตัวลงนอนและได้กลิ่นตัวของตัวเองคล้าย กับปิ่นปิดาจึงทราบว่าท่านได้ติดเชื้อปิดาแล้วครั้นต่อมาก็มีอาการไข้เมื่อยม่พ่อของท่านได้ทราบข่าวการป่วยของท่านโยมพ่อของท่านจึงไป ร, รับท่านกลับมาอยู่ที่วัดป่าศรีฐานในท่านพยายามเดินมาจนถึงวัดเพราะสมัยก่อนยังไม่มีรถ รียะทางก็ประมาณ300เต้นคือ12กิโลเมตรต่อมาตุ่มก็เริ่มออกตุ่มออกเต็มทั้งตัวจนกระทั่งฝ่ามือฝ่าเท้าต่อมาพอตุ่มสุกแล้วก็เปื่อยโรคอันนี้เหม็นข่าวมาก ท่านพระอาจารย์ถึงต้องนอนใบตองกล้วยเพราะออกแสบออกร้อนสารพัขดขณะนั้นท่านพระอาจารย์บุญเพงวัดถ้ำกลองเพลงยังเป็นสัมมาเนีอยู่เป็นผู้อุปถักต์ท่านพระอาจารย์แต่ท่านอาจารย์บุญสิงห์สั่งพระเนงที่อุปถักรักษาว่าอย่าเข้าไปทิศใต้ลมให้เข้าไปทางเหนือลมให้สังเกตดูลมเสียก่อน ท่านกลัวว่าเจอโรคสติพระเนนในที่สุดท่านก็หายและรอดตายมาได้โดยที่ไม่มีรอยแผลเป็นเหมือนกับคนอื่นที่เคยเป็นโรคนี้แต่ส่วนมากมักจะตายกันถ้าลงได้เป็นโรคอันนี้แล้วจะเหลือเพียงย0สบเปอร์เซ็น์เท่านั้น ไปบอกลากำนันเหลาในช่วงพรรษาที่ 1-4 ถึงปีพุทธศักราช 2, 2 4 8 7ถึง2490แท่านจำพรรษาที่วัดป่าสีฐานในสาพรรษาและวัดบ้านหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอีหนึ่งพรรษาครั้นพรรษาที่สี่ล่วงไปแล้วในปีพุทธศักราช 2,491 เดือนสาคือเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็ได้ออกธุดงโดยมุ่งหน้าจะไปไหว้พระาธาตุพนมมีพระเนงติดตามท่านไปด้วย3ามองค์สี่กับองค์ท่านเป็นสามนเนงศสององค์เป็นพระสององค์และท่านพระอาจารย์พวงสุขินธริโยปัจจุบันท่านเป็นพระสุทธนธรรมพันธ์วสีธรร ม, มาราม เจ้าคณะจังหวัดยโสธรสมัยนั้นท่านยังเป็นสั ม, มเนงอยู่ท่านก็ได้ติดตามพระอาจารย์ไปด้วยก่อนจะออกเดินทางจากบ้านสีถานท่านได้ไปบอกลากำนันเหลากำนันเหลาคนนี้เคยพูดกับท่านอาจารย์เอาไว้สมัยท่านจะบวชว่าถ้ามึงบวชอยู่ได้พอภาษาแล้วให้มึงมาขี้ใส่บ้านกูนะชอบที่ไหน ให้ขี้ใสเลยให้เอาหมอนกูนั้นเช็ดก้นท่านจำไม่ลืมเวลาท่านจะออกจากบ้านไปเที่ยววิเว้ท่านจึงได้ไปลาพอขึ้นไปบ้านเขาก็ปูศาสต์ปูเสือต้อนรับพูดคุยหัวเราะกันเพราะออกสนิทกันอยู่มากพอแล้วพ่านอาจารย์ก็มองโน่นมองนี่แล้วพูดว่าจะให้ขี้ใส่ตรงไหนละ่ะ กำมันร้องโอ้ยผมนึกว่าครูบาลืมแล้วหัวเราะกันแล้วก็ขอขมาคาระวะท่านอย่าให้โยมเป็นบาปเป็นกรรมเนิ่โยมมึนึกว่าครูบาจะอยู่ได้ได้วเวลาพอสมควรแล้วท่านอาจารย์ก็ลากลับวัดเหตุใดกำนันจึงพูดอย่างนี้กับท่านเพราะท่านอาจารย์สมัย ที่ยังไม่บวชเป็นคนขี้ดือ้อคือโนชอบเล่นสนุกแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักเลงดอกนะการลักการขโมยการฆ่าการตีคนอื่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่นิสัยของท่านชอบเล่นสนุกโยมแม่ของท่านเคยเล่าให้ฟังแม้กระทั่งวันจะบวชพอโกนผมเสร็จยังไม่ถึงเวลาบวชท่านก็ยังชวนหมู่ที่เป็นหน้าเพื่อกันชนกัน ว่าหัวล้นชนกันเถอะแล้วก็ไล่ชน ก, นกันกับหมู่ตามใด้ถุนตาลาแล้วทำเหมือนควายจะชนกันพูดแงะแแล้วเบิดไล่ชนกันโย่แม่ของท่านพูดช่างนื้ออายชาวบ้านอื่นเขาเพราะที่ไปบวชนั้นก็มีหลายหมู่บ้านท่านคิดดื้อท่านสนไปในลักษณะนี้แหละ ท่านออกเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมสมัยก่อนชาวจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชาวอีสานส่วนใหญ่แทบทุกจังหวัดนิยมเดินทางไปนมัส ก, การพระธาตุพนมกันเป็นประจำทุกปีส่วนใหญ่จะไปกันตอนเดือนสามเพ ن เพราะมีงานในช่วงนี้ทางวัดจัดงานไหว้พระธาตุพนมเป็นประจำทุกปี สมัยก่อนที่ไปมาหาสู่กันสะดวกทางฝั่งลาวก็ข้ามน้ำมาร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนกันการเดินทางจะเดินไปด้วยเท้าเพราะสมัยก่อนยังไม่มีรถมากเพราะถนนหนทางรถก็ไม่ค่อยดีตอนหลังๆมาหน่อยถึงจะมีรถไปรับบางคนบางหมู่ก็จะไม่ยอมขึ้นรถไปเขาพูดกันชวนกันว่า เราเดินไปจึงจะได้บุญมากได้บุญทุกเก้าเดินเห็นพวกโยมแม่เคยไปกันถ้าขึ้นรถไปกลัวจะไม่ได้บุญมากการเดินทางก็เดินตามทางเกวียนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านค่ำไหนหนอนนั่นอาหารและน้ำก็อาศัยขอตามหมู่บ้านที่ผ่านไปแต่ชาวอีสานเดิมก็มีดีอยู่อย่าง คือลรามีแขกมาพักส่วนมากจะพักในวัดกันเพราะตกกลางคืนถึงเวลากินข้าวชาวบ้านจะพากันเอาข้าวเอาอาหารมาส่งสุดแล้วแต่เขาจะมีอะไรมีน้ำพริกหรือปลาร้าผักเหล่านี้เป็นต้นจะไม่ค่อยได้ซื้อกันเหมือนสมัยทุกวันนี้พวกหุ่มสาวก็ลงมาคุยกันก็มีเพราะ ไปแต่ละหมู่แต่ละคณะก็มีทั้งหนุ่มทั้งแก่ถ้าไปอย่างนี้สมัยก่อนจะต้องมีคนแก่ไปด้วยถ้าไม่มีคนแก่ไปด้วยหญิงสาวจะไม่ยอมไปเด็กค่ะต้องอาศัยคนแก่ในระหว่างทางที่เดินไปบางแห่งก็ร่มรื่น้วยแมกไม้ทุกคนดูจะมีความสุขที่จะได้ไปว่าพระทาตพนมและการเดินทางก็ปลอดภัย ประสจากอุบัติเหตุและชวนผู้ร้ายบางพวกก็เป่าแคนร้องรำกันไปเป็นที่สนุกสนานตลอดระยะทางสำหรับท่านพระอาจารย์นั้นก็ได้เดินทางไปเหมือนกันพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านตากแห่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านทราบว่ามีถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่ใหญ่เท่าไรนัก ชื่อว่าผูทอกมีถ้ำแล้วเมื่อท่านอาจารย์เลื่อมู่ไปถึง mm. ก็คิดอยากจะไปพักในถ้าเพราะท่านคงยังไม่เคยเที่ยวในถ้ามาก่อนเลยถามชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ห้ามว่าครูบาจะอยู่ได้หรือถ้านี้เข็ดมากนะคือแรงมากนะเมื่อสองถึงสามวันนี้ก็มีพระมาพักแต่อยู่ไม่ได้ หนีไปกลางคืนเลยครูบาจะอยู่ได้หรือชาวบ้านเขาห้ามแต่ท่านอาจารย์ก็อยากจะลองพักดูเลยขอให้ชาวบ้านไปส่งเมื่อเขาตามส่งถึงถ้ำแล้วเขาก็กลับท่านพระอาจารย์และพระเนนที่ไปด้วยกันก็ทําข้อวัดปัดกวาดเสร็จแล้วก็ส่งน้ําส่งท่าเสร็จเป็นเวลาจวนจะมืดต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมส่วนท่านอาจารย์ ท่านเดินอยู่ที่ปากถ้ำพอมืดเข้ามาหน่อยก็ได้ยินเสียงดังลงมาจากหลังเขาคล้ายๆกับเสียงลมพัดหนักๆพอดีวันนั้นเป็นวันสิบสี่ค่ำไม่ทราบว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมจําไม่ได้เสียงนั้นก็ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยแต่เมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาปรากฏว่าไม่ใช่เสียงลมเสียแล้วเป็นเสียงงู เหมือนกับงูเลยมาเจียงท้องของงูกวาดกับหินปรากฏว่าจะตัวใหญ่มากทีเดียวในความรู้สึกของท่านว่าเหมือนกันกันกบลากรเสือไหวธรรมดาเสือไหวจะกว้างกว่าเสือธรรมดาประมาณเมตรห้าสิบหรือสองเมตรท่านว่าถ้าเป็นงูก็จะตัวใหญ่ขนาดนั้นแหละในภูเขาลูกนี้มีลุงพ่อองค์หนึ่ง ท่านดูประจํามานานแล้วแต่ท่านเป็นพระมหานิกายคือมหานิกายปฏิบัติท่านได้ยินเสียงด้วยท่านก็เลยตะโกนบอกไปว่าไม่เป็นไรดอกมาเยี่ยมเฉยๆแต่ด้วเหตุที่ท่านอาจารย์ไม่เคยประสบมาก่อนและยังไม่เคยอวิเวะตามถ้ำตามเขามาก่อนเลยท่านก็อดกลัวไม่ได้ท่านว่าเมื่อเสียงยังดังอยู่ไกลหน่อย เดินจงกรมก็สุดทางทางนั้นข้างนี้เมื่อสิ่งนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเดินชมงกรมก็ได้ครึ่งทางเพราะกลัวพอใกล้เข้ามาจริงๆก็ก้กาวขาไม่ออกเลยท่านว่านึกจะสู่กรณีก็ได้แต่กรณีกรณีขยายความไปไม่ได้ท่านว่าคนเราเมื่อกลัวถึงที่แล้วจิตจะไม่ปรุงจิตตั้งอยู่ เหมือนกับเพียนอยู่ในโคมไฟมันปรุงไม่ออกท่านว่าจากนั้นเสียงก็ได้เงียบไปท่านอาจารย์และพระเนนก็เข้าที่ของใครของมันสำหรับท่านอาจารย์มีแคร่นอนแต่องค์อื่นนอนกับพื้นพอขึ้นแคร่แล้วก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเมื่อได้เวลา น, านานพอสมควรแล้วก็เลยนึกว่า วันพวุนี้จะต้องเดินทางต่อจะพักสักหน่อยถ้าไม่พักนอนเลยก็จะเหนื่อยในการเดินทางแล้วก็ล้มตัวลงนอนภาวนาไปด้วยพอคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงขู่ขึ้นมาจากใต้แคร่ท่านก็รู้สึกตัวว่าเสียงที่ขู่ขึ้นมานั้นเป็นเสียงงูท่านเคยปลุกพระเน่ว่าลุกๆุกงูจะกินหัวนะท่านจะคุณพวงท่านว่า ยังไม่หลับคือสมัยเป็นสัมมเนรพวงพอหมูลุกขึ้นนั่งหมดแล้วก็ขู่ขึ้นมาอีกท่านอาจารย์ก็เลยพูดว่าเดี๋ยวนะผมจะขีดไม่ขีดเพราะแต่ก่อนท่านไม่มีกระชายมีแต่ไม่ขีดที่ใส่น้ำมันกา๊าดท่านก็ขีดไม่ขีดยื่นแขนออกมาจากมุ้งท่านยังไม่ได้ลุบนะแล้วเสียงก็กูดังขึ้นมาอีกเป็นสามครั้ง ส่องดูก็ไม่มีอะไรจากนั้นเียมก็ดำลงไปท้างล่างเหมือนกับป่าไม้ป่าไผ่แถวนั้นจะราบไปหมดในความรู้สึกของท่านท่านนอนก็ไม่เป็นหลับเป็นตื่นเพราะกลัวเวลารุ่งเช้าขึ้นมาป่าไม้ก็ปกติธรรมดาท่านอาจารย์ก็เลยพูดกับหมูว่าถ้าเราจะเดินทางวันนี้เลยก็กลัวว่าเขาจะตำหนิว่าเรากลัวนอนได้คืนเดียวก็เพ่ง ท่านว่าเราพักอีกสักคืนเถอะก็เลยได้ค้างที่ถ้ำนั้นสองคืนแต่คืนหลังนี้เงียบไม่มีอะไรหวงพ่อองค์ที่อยู่นั้นเล่าให้ท่านฟังว่าในเดือนหนึ่งจะมีอยู่สีครั้งคือขึ้นเจ็ดถึงแปดค่ำสิบสี่สิบห้าค่ำและแรมเจ็ดถึงแปดค่ำสิบสี่ถึงสิบห้าค่ำวันนอกนั้นก็ธรรมดาไม่มีอะไร ในบริเวณถ้าแห่งนี้คนจะไปทําผิดศีลผิดธรรมไม่ได้จะมีอันเป็นไปให้เห็นอย่างว่าไปข่านกหรือกบเขียดหรืออะไรในบริเวณนั้นก้อนหินจะกระโดดปับ๊บปับร้องเป็นเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดเวลาไปดูแล้วก็เป็นก้อนหินในบริเวณนั้นแต่ก่อนหลวงพ่อองค์นั้นว่าอดน้ำกันดานน้ำชใช้น้ำฉัน ท่านจุดรูปเพียงอธิษฐานขอน้ำก็เลยปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาจากแอ่งหินวันหนึ่งท่านแาจาจันว่าหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีนี่ออกคนหนึ่งคือผู้หญิงไปเก็บมะม่วงไข่ตามแถวนั้นหิวน้ำก็มากินน้ำเลยคิดอยากอาบน้ำเพราะร้อนก็เลยอาบน้ำแต่เข้าใจว่าคงเปื้อนกายอาบ เสร็จแล้วก็กลับบ้านจากนั้นน้ํานั้นปรากฏว่าน้ํำมีกลิ่นเหม็นคลุ้งเหมือนกับซากวัวซากควายตายแล้วน้ํานั้นก็ได้แห้งไปจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีน้ําจะใช้จะดื่มจึงอธิษฐานขอใหม่พร้อมกับว่าจะไม่เขาทําอย่างนั้นอีกน้ํานั้นจึงได้ไหลออกมาอีกตามเคยหนูเดินจงกรม หลวงพ่อพูดต่อไปว่าวันหนึ่งท่านพาชาวบ้านไปนวดดินท่านจะทำทาตคือเจอดีนวดดินั้านอิดพอกลับมาเหนื่อยเลยไม่ได้เดินจงกรมพอวันหลังก็ พ, พาชาวบ้านไปทำอีกเพราะยังไม่เสร็จแต่บางเอินถ่าลืมของใช้ท่านจึงกลับมาเอาของแต่ก่อนท่านคงจะพักอยู่ในถ้ำพอมาถึงถ้ำแล้วมองเห็นผิดสังเกต คือมองเห็นหนูเดินจงกรมที่ท้านั้นข้างบนมีหินยื่นออกมาประมาณหนึ่งคืบหรือหนึ่งฟุตยาวไปตามถ้ำหนูตัวนั้นเดินไปพอถึงสุดทางด้านนั้นก็กลับคืนแล้วยืนสองขาเอาขาหน้ากอดอกยืนอยู่คล้ายกับกำหนดจิตพอสมควรแล้วก็เอาขาหน้าลงแล้วเดินไปพอถึงหัวท้ายข้างนั้นก็กลับหลัง แล้วยืนสองขาเอาขาหน้ากอด อ, อกยืนอยู่คล้ายกำหนดจิตอีแล้วเดินกลับไปกลับมาอยู่นั้นหลวงพ่อท่านเห็นแล้วก็ระลึกได้ว่านี่หนูมาเดินจงกรมคงจะเป็นเทวดาหรือเจ้าที่แสดงให้เห็นเพราะเมื่อวันก่อนนั้นท่านขาดเดินจงกรมต่อมาหลังจากนั้นท่านจึงไม่เคยขาดการเดินจงกรมนั่งภาวนา ถึงจะเหนื่อยก็ต้องบังคับตัวเองทําไม่เคยขาดถึงพระาธาตุพนมท่านอาจารย์เมื่อเดินทางถึงพระาธาตุพนมแล้วก็ได้เข้าไปกราบนมัส ก, การพระาธาตุพนมเสร็จแล้วก็ได้ออกไปพักวิเวทแถวบ้านน้ำกาและหมู่บ้านริมโขงแถวนั้นหน้าเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนสามนี้ มะขามหวานกำลังสุเกเขตเมืองมุกเมืองธาตุพนมนั้นมีมะขามหวานมากท่านไปพักในเขตอำเภอธาตุพนมเขาเอามะขามหวานมาจันหันเห็นว่าท่านชอบฉันเขาก็เอามาไม่ขาดต่างคนต่างเอามาและจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนตัดสินว่าของใครจะหวานกว่ากันเขาเอามาแข่งกัน ท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่าของคนนั้นดีของคนนี้ไม่ดีก็คงจะกลัวว่าเขาจะเสียใจและไม่เอาไปจังหันอีกท่านเกลยตอบเขาไปว่ามันก็หวานดีทุกต้นนะหวานดีทุกต้นแหละคุยกันเรื่องตีปอ๊อก เมื่อท่านอาจารย์ฉันเสร็จแล้วชาวบ้านก็เริ่มกินข้าวกันและพูดคุยกันไปคุยกันไปถึงเรื่องปีปอกในหมู่บ้านท่านอาจารย์ได้ยินเรื่องเขาคุยกันถึงเรื่องปีปอกท่านก็พูดกับเขาว่าอาตมาก็เป็นปอกเหมือนกันนะโยมชาวบ้านเขาก็งงและตกใจว่าพระอะไรจะเป็นปอกเขาเลยถามท่านว่าเป็นปอบได้ อ, อย่างไร ท่านอาจารย์ตอบว่าปอบมะขามหวานชาวบ้านก็พากันหัวเราะท่านว่ายิ่งหวานเท่าไร่ยิ่งกินดีปอบคนอื่นเขากินคนแต่ปอบของท่านอาจารย์กินมะขามหวานขันดีเรื่องของผีปอบจะอธิบายเรื่องของผีปอบเรื่องของผีปอบนี้ทางอีสานโดยเฉพาะบ้านนอก เขาจะรู้กันแต่ภาคอื่นส่วนใหญ่จะไม่รู้จักและบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคนที่เป็นปอบคือเจ้าของปอบนี้เป็นลักษณะของผีเทียมเวลาไปกินคนจะบอกชื่อของคนที่เป็นปอบนั้นผีปอบนี้เกิดจากคนที่เรียนวิชาบางอย่างมาแล้วรักษาตามคําสั่งของครูของอาจารย์ไม่ได้หรือเกิดจากการสับว่าน กระจายพงแล้วรับสารไม่ได้ก็มีหรือพวกสบู่เลือดเหล่านี้เป็นต้นมักจะเป็นปอบคนที่เป็นผีปอบนี้เริ่มแรกมักจะฝันว่าได้กินของดิบเช่นเนื้อดิบลาบดิบเหล่านี้ทีแรกก็จะกินเป็ดกินไก่จากนั้นก็จะกินคนส่วนมากมักจะกินคนป่วย คนธรรมดาที่ไม่ป่วยก็มีส่วนน้อยเวลาปอบเข้ากินทีแรกคนที่ถูกปอบเข้าจะมึนชาทั้งตัวต่อไปก็จะไม่รู้สึกตัวทั้งหัวราอทั้งร้องไห้และหลบหน้าเป็นไปในลักษณะนี้ผิดสังเกตไม่เหมือนคนคนเก่าคล้ายๆกับผีทรงเวลาผี ป, ปอบเข้าแล้วเขาจะเอาหมอมาขับไล่ ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของผีปอบเป็นใครเขาก็จะเสกคาถาใส่ได้คือได้สามสีหรือเจ็ดสีแล้วผูกตามเข้ามือข้อเท้าและคอแต่เวลาผูกไม่ให้คนที่ปอบเข้าเห็นรีบผูกแล้วเสกคาถาใส่หัวว่านไฟคือหัวไพรจี้หรือบางทีถ้าไม่ยอมบอกชื่อหรือ ไม่ยอมออกจากคนไข้เข้าก็จะตีด้วยลำคาลำว่านไปคือลำไพลชนิดตีให้ยอมหรือบางหมอก็จะตีด้วยก้านกล้วยตีจนยอมบอกชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเคยกินใครมาบ้างในทานองนี้เวลาผีปอบบอกว่าคนนั้นกูก็กินคนนี้กูก็กินตับหวานอร่อยดี ทำนองนี่แหละเมื่อเวลาจะให้ออกเขาก็จะแก้ได้ที่ปลูกออกขับให้ออกเมื่อผีปอบออกแล้วจะไม่รู้จักว่าตัวเป็นอะไร ค, คล้ายๆกับผีทรงบางทียั่งถามว่าคุณมาทำไมมากอย่างนี้ผีปอบบ้านสีฐานท่านอาจารย์เคยเล่าสู่ฟังเรื่องปอบเข้าบ้านสีฐานบ้านเดิมของท่าน ท่านเล่าว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปนาไปทํางานที่นาของเขาเกิดปวดท้องหนักเลยกลับบ้านคงจะปวดหนักมากพ่อแม่เห็นปิดสังเกตเลือกว่าผีปอบเข้าลูกกี่ลูกก็เลยไปตามหมอมาขับไล่พอหมอมาถึงก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรเสกคาถาใส่ได้แล้วก็ผูกข้อมือข้อเท้าและคอ เสร็จแล้วก็หัวด้วยลำคาหือมึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงชื่ออะไรหือ้อมึงจะหนีหรือไม่หนีหือๆอคนที่ปวดท้องก็ร้องไห้ว่าจะให้ผมหนีไปไหนบ้านผมอยู่นี่แล้วยังขู่อีกว่ามึงมาจากไหนคนเจ็บก็บอกว่ามาจากนาหนองพ่อหือมึงเป็นใครก็บอกชื่อแล้ว หมอและคนดูก็ตกใจพากันหัวเราะกันพักใหญ่ทั้งสงสารคนป่วยปวดท้องก็จะตายอยู่แล้วยังโดนตีอีกนี่ปอบบ้านสีฐานแต่ส่วนมากหมอเขาจะรู้ส่วนหมอคนนี้อะไรก็ไม่ทราบคงจะเรียนมาใหม่แหละดูท่าท่านเคยเล่าสู่ฟังสนุกสนุก พบพระอาจารย์มั่นครั้งแรกครั้นเมื่อท่านพระอาจารย์ได้พักกับชาวบ้านแถวริมแม่น้ําโขงพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางต่อไปทางจังหวัดสกลนครโดยมุ่งหน้าจะไปกราบพระมรดการและฟังคําอบรมสั่งสอนจากท่านพระอาจารย์มั่นนวอุตป่าบ้านหนองผืออําเภอพณานิคมจังหวัดสกลนครเนื่องจาก วัดป่าบ้านน้องผือนั้นเป็นวัดเล็กแต่พระเนมีมากที่ต้องการอบรมศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์จึงไม่อาจจำภาษาที่นั่นได้จำเป็นต้องไปจำภ ร, รษาอยู่ที่วัดใกล้ๆเพราะกุฏิมีจำกัดในระยะนั้นท่านเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนคงอยู่ที่วัดป่าน้องผือนั้น เมื่อพระที่อยู่เก่าออกวิเวกและมีกุติว่างท่านจึงมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกไปวิเวกพรรษาที่ห้าถึงหกในพรรษาที่ห้าท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านนาอัวช้างบ้านบะททองอำเภอพนานิคม โดยมีท่านพระอาจารย์อ่อนยานัทริเป็นผู้นำปัจจุบันวัดป่าบ้านนาหัวช้างนั้นคือวัดป่าอุดมสมพลในภรรษาที่หกนั้นท่านพระอาจารย์ได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรที่วัดป่าบ้านโคกมะนาวอำเภอพนานิคมในช่วงนี้พระอาจารย์เล่า ว, ว่าการภาวนาเริ่มจะยาก คือว่าท่านผ่านทุกขเวทนาไม่ได้พอนั่งภาวนาไปเป็นเวลานานพอสมควรมักจะเกิดทุกขเวทนาใหญ่คือทุกขเวทนากล้ามากท่านได้ต่อสู้มาหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ท่านจึงได้กลาบเรียนถึงประสบการณ์นี้ถวายพระอาจารย์มหาบัวตาบ พอท่านพระอาจารย์มหาบัวทราบแล้วก็แนะนำวิธีการต่อสู้กับทุกขเวทนาให้ฟังโดยให้ใช้สติปัญญาพิจารณาแยกธาตุขันธ์ท่านไดะนำอุบายที่รับฟังมานั้นมามนปฏิบัติด้วยการตั้งสัจจะว่าจะสู้กับทุกขเวทนานี้แบบสลักชีวิตเพื่อให้รู้เห็นความจริงของทุก ถึงแม้จะปวดหนักปวดเบาขนาดไหนก็จะไม่ยอมลุกหนีจะปล่อยให้มันออกเลยต่อสู้กับเวทนาใหญ่เมื่อท่านพระอาจารย์ได้อุบายจากท่านพระอาจารย์มหาบัวแล้วได้เวลาท่านก็เตรียมนั่งชนิดว่าแต่งตัวเต็ยนยศคือห่มชีวอนใส่สั้งคาติแล้วนั่ง โดยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าผ่านทุกขเวทนานี้ไม่ได้แล้วจะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดเวลาต่อสู้อยู่นั้นมันทุกข์มากเจ็บปวดมากผิดกันกับทุกขเวทนาที่เคยผ่านมาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้ตั้งชื่อนี้เอาว่าทุกขเวทนาหญ่ซึ่งไม่มีในตำราท่านว่ามันทุกขจนเหนือหรืออะไร ภ า, าษาอีสานเขานิยมว่าอย่างตายออกเปียกหมดทั้งตัวท่านว่าเวลายกมือขึ้นดูเอือหรืออย่างตายจะหยุดปับป๊บๆตามนิ้วมือท่านว่ามันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่ปรากฏว่าท่านก็ผ่านไปได้จิตสงบรงรวมผิดปกติเป็นอศัศจรรย์ทำให้ท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติมาก และจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่าทุกขเวทนาใหญ่นั้นได้เกิดขึ้นอีกเลยท่านว่าจิตมันเปลี่ยนไปคนละอย่างกับสมัยที่ยังสู้มันไม่ได้คือเวลานั่งไปทุกขเวทนาทำท่าจะเกิดขึ้นจิตมันไม่กลัวเหมือนแต่ก่อนท่านว่ากลับดีใจว่าเราจะได้กำลังใจอีกแล้วเพราะการต่อสู้แบบนี้ ท่านว่าได้กำลังใจคุ้มค่าจึงเกิดความดีใจแต่เมื่อเรารู้มาแล้วมันก็ไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ธรรมดาไม่ใช่วิทนาใหญ่แบบนั้นเที่ยววิเวไปทางสว่างแดนดินสองดาววาริ ช, ชภูมิเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ก็ออกวิเว โดยเดินทางไปทาองอำเภอสว่างแดนดินอําเภอสองดาวและอําเภอวาริชภูมิท่านได้เคยไปพักอยู่กับหลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งสมัยคราวนั้นท่านพักอยู่ที่ว้ยเจหน่อยท่านเล่าว่าตอนพักอยู่กับหลวงปู่ขาวนั้นคงจะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนท่านได้เล่าถึงความอดอยากเพราะผลแง้งชาวบ้านอดข้าวกัน ไปบินาบาตไม่พอฉันต้องอาศัยแม่ชีและสามเณรหาหัวมันและผักเห็ดมาเสริมพอได้ทำความเพียรแต่ท่านละ ว, ว่าเวลาพักอยู่กับหลวงปู่นั้นที่หวยต่หนอยคือผู้เหล็กอาเภอสองดาวท่านว่าการภาวนาดีมากนอนนิดเดียวก็อิ่มจิตสงบละเอียดมากท่านหลวงปู่ขาวท่านก็ทำความเพียร คือโดยมากท่านจะไม่ค่อยเท่แต่ท่านทําให้เห็นเป็นตัวอย่างปกติท่านเป็นคนพูดน้อยแต่ทําความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนามากสมัยที่ท่านพักอยู่นั้นก็มีเรื่องที่กบขันอยู่เรื่องหนึ่งคือพระเนรจะบินขบาา ท, ท่านได้เห็นผักกระโดนอยู่ริมทางท่า น, นจึงจําเอาไว้ว่าขากลับ จะให้เนรเก็บเอาพอบินถาบายกลับก็สังเกตมาตามทางพอถึงพุ่งกระโดนก็ชี้บอกเนนว่านี่เนรเอาเลยในพุ่มนั้นบังเอิญวันนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาจะไปไร่เห็นพระเขาก็หลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพุ่มนั้นพอได้ยินเสียงพระและพูดว่าเนรเอาเลยเขาก็ตกใจขยับตัว ท่านจึงได้เห็นเลยต่างคนต่างอายผักกระโดนก็ไม่เอาวหรกันตามทางองค์ที่พูดนั้นไม่ใช่ท่านอาจารย์เป็นท่านอาจารย์สมซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตมรณภาพไปแล้วพรรษาที่เจ็ดถึงแปดพรรษาที่เจ็ดอม่ทราบว่าท่านจาพรรษาที่ไหนที่ถ้ำเป็ดท่านก็เคยพัก พักอยู่กับท่านอาจารย์อ่อนยาณศิริคือวัดป่านิโครธารามบ้านหนองบัวบานสมัยนั้นท่านอยู่ถ้าเป็ดท่านอาจารย์ละ ว, ว่าที่ถ้าเป็ดนี้ภาวนาไม่ค่อยจะดีจะเป็นเพราะอากาศหรืออย่างไรไม่ทราบท่านว่าที่ถ้าเป็ดนี้ง่วงนอนเก่งนอนไม่รู้จักอิ่มอาหารการฉันโกรธหยากเหมือนกันท่านว่า ก้น้ำว้าใบเดียวแบ่งกันสีองค์ต้องอาศัยปาร้าที่เตรียมไปให้เนนําออกวัลนิดแบ่งกันฉันแต่เวลาฉันแล้วม่วงนอนเก่งไปรับโยงพ่อมาบวชพรรษาที่เจ็ดล่วงแล้วท่านก็กลับบ้านสีฐานเพื่อเยื่งโยมพ่อโยมแม่ของท่านและได้นำโยงพ่อของท่านไปด้วยไปบวชเป็นตาปะขาว แล้วฝากโยมพ่อของท่านไว้กับท่านพระอาจารย์อ่อนครั้นต่อมาโยมพ่อของท่านก็ได้บวชเป็นพระวิเวกผ่านดงสีชมพูสำหรับท่านอาจารย์ก็ได้เดินทางโดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรธนานีและหนองคายในระหว่างทางที่จะไปมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านดงสีชมพู ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นลงหนาป่าทึบอยู่มากและเะต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดพวกชาวบ้านริมดงเขาพากันห้ามไม่อยากให้ท่านเดินทางไปเพราะท่านไปองค์เดียวเขาเกรงว่าจะหลงทางไม่สามารถจะข้ามดงไปได้ในเวลาข้ามมืดถ้าครังคืนในดงจะต้องตายแน่เนื่องจากเสือช้าง หมีสัตว์ร้ายเหล่านี้ชุมมากท่านหาได้ฟังคำทักท้วงของชาวบ้านซึ่งหวังดีต่อท่านไม่ด้วยท่านมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ว่าตายเป็นตายจะต้องข้ามดงสีชมพูให้ได้และให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก่อนตะวันตกดินด้วยท่านจึงตัดสินใจเดินเข้าสู่ดงสีชมพูทั้งที่ไม่รู้จักทางโดยสังเกตดวงอาทิตย์ เป็นเข็มลิบในการเดินทางท่านได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตลอดระยะทางที่ท่านเดินไปในโดงนั้นซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าช้างรอยเท้าเสือและสัตว์ต่างๆเต็มไปด้วยขี้ช้างและรอยสัตว์ปะปนกันคล้ายกับสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านท่านเดินมุ่งหน้าไปและระมัดระวังจิตของท่านไม่ให้ส่งออกภายนอกเลย กำหนดความรู้พูดโทรติดแนบแน่นกับจิตเดินทั้งวันตั้งแต่ฉันจังหันเสร็จอยามาหิวกระหายน้ำก็ได้อาศัยน้ำตามหนองซึ่งสัตว์ป่าลงกินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใสฉันพอทาคอท่านว่าเพราะการเดินทางนั้นไม่ได้เอาน้ำไปด้วยเอาไปแต่กระบอกกรองน้ำครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างนั้น ถ้าเอาน้ำไปด้วยแล้วก็จะฉันแต่น้ำเมื่อหิวแล้วการเดินทางจะไปได้ไม่ไกลน้ำจะลงพื้นเท้าจะพองเดินไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจึงไม่เอาน้ำติดตัวไปด้วยและจะได้ลดความหนักในการเดินทางเพราะแต่บริการที่จําเป็นก็หนักพอแล้วผลที่สุดท่านก็ได้เดินทาง ผ่านดงสีชมพูไปได้ในวันนั้นโดยปลอดภัยเมื่อเวลาครบคำ่ำสังเกตได้จากการเห็นหมู่บ้านซึ่งปลูกอาศัยอยู่ตามริมดงก็ทราบว่าถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วแล้วท่านก็พักวิเวกอยู่ในเขตอำเภอปือนั้นตามถ้ำม่วงถ้ำจันทะาตถ้ำหีดแถวนั้นพอสมควรแล้ว ก็เดินทางต่อไปทางอำเภอท่าบกและบ้านศรีเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านได้จำพรรษาที่วัดพระดอยบ้านศรีเชียงใหม่ในพรรษานั้นท่านได้ป่วยเป็นไข้เป็นไข้หนักและพระเนนก็เป็นไข้กันหลายองค์แต่ท่านอาจารย์เล่าว่ามักจะได้กำลังใจในเวลาป่วยเพราะสมัยแต่ก่อนไม่ค่อยมีหมอ มีหมอก็หมอชาวบ้านอาศัยยาต้มและยาผลซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยจะหายง่ายและมีเนนองค์หนึ่งซึ่งจําภาษาด้วยกันเนนนั้นก็ป่วยแต่เนนป่วยก่อนและหายก่อนเวลาพอเดินได้เนรนั้นก็เดินไปถามท่านอาจารย์ว่าครูบาเป็นอย่างไรยังข่าอยู่หรือท่านตอบเนนว่ายังข่าอยู่ แล้วท่านอาจารย์ถามเมนรว่าเนรหลัหายหรื อ, อยังเนรนั้นตอบว่าหายพอเดินได้เนรเลยพูดต่อไปว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ให้ผมเป็นอีกสักทีก็ได้ครูบาท่านอาจารย์ก็หัวเราะเนรนั้นออกจะไม่ค่อยเต็มบาทเท่าไหร่ในตอนที่ไปเทีย่ยววิเวกด้วยกันก็มีเรื่องขบคันหลายอย่างที่จําภาษาด้วยกันปีนั้นก็มีพระอาจารย์สวัส สุวจโจท่านพระอาจารย์วันอุตโตมท่านพระอาจารย์สมท่านพระอาจารย์สิงห์ทองมีหลายองค์ด้วยกันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อของท่านถึงแก่กรรมที่หมู่บ้านกุตสินห์อําเภอบัวขาวคือกุชินารายจังหวัดกาลสิน์ในปีพุทธศักราช2494เป็นพรรษาที่8ลวงแล้ว ท่านจึงเดินทางกลับบ้านสีฐานเพื่อทำบุญให้กับหลวงพ่อของท่านแล้วพักอยู่บ้านนานพอสมควรจึงได้เดินทางออกวิเวท ต, ต่อไปทางจังหวัดนครพนมเขตอำเภอมุกดาหารคำชอีพรรษาที่เก้าถึงสิบเอ็ดจำพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยรายคือวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ในระหว่างพุทธศักราช2495ถึง2497เป็นพรรษาที่9ถึงพรรษาที่11ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารโดยมีท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปโนเป็นผู้นำในยุคสมัยนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัว ท่านเก็บงวดกวดขันกับพระเนีนที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่าคืนท่านอาจารย์มหาบัวจะลงเดินตรวจพระเนในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายว่าพระเนนองไหนทำความเพียรอยู่หรือเปล่าถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านก็จะไม่เข้าไปถ้าองค์ไหนดับไฟท่านจะเข้าไปเข้าไปจนได้ทุนกุฏิแล้วฟังเสียงว่าจะนอนหลับหรือเปล่าหรือ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 ท่านจะขับไล่ออกจากวัดให้ไปอยู่วัดอื่นโดยพูดว่าผมสอนท่านไปได้แล้วนิมนต์ออกไปจากวัดเสียฉะนั้นพระเนนยุคบ้านห้วยตายภายใต้การนำของท่านที่มีความภาคเพียนในด้านการทำสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากต่างองค์ต่างหลักกันคือบางองค์เวลาหมู่เดินจงกรม จะขึ้นกุฏิแล้วไม่จุดไฟทำท่าเหมือนกับว่านอนแต่ความจริงนั่งภาวนาเวลาหมู่ขึ้นจากทางจงกรมหมดแล้วจึงค่อยลงเดินก็มีท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเหมือนกับว่าพระเนในวัดนั้นจะไม่ค้างโลกกันพอตื่นนอนขึ้นมามองไปเห็นแต่แสงไฟคือแสงกลมไฟ สว่างสวัยตามกุฏิของพระเนนเหมือนกับไม่นอนกันสําหรับท่านอาจารย์ท่านก็เร่งความเพียรเต็มที่จนทางจงกมรมลึกเป็นร่องพระเนนได้ถมทางจงกรมให้บ่อยท่านลาให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ระยะนั้นเป็นหน้าหนาวอากาศหนาวมาก ท่านก็ห่มผ้าสามกุญสีผืนเดินจงกรมพอเดินไปเดินไปดึกเข้ามาท่านก็ง่วงนอนมากเพราะข่าวนั้นท่านอดนอนมาได้สามคืนแล้วเดินไปผ้าหม่มผืนที่อยู่นอกหลุดออกตกลงท่านก้มในตาพอเดินไปถึงหัวทางจงกรมอันกลับมาเห็นผ้าห่มตัวเองก็ตกใจท่านนึกว่า เสือหรืออะไรหนาเพราะสมัยนั้นเสือยังมีเดือนก็ไม่สว่างเท่าไรท่านจึงกระทืบเท้าดูมันก็นิ่งเอ๊ะมันอะไรนาเลยเ ค, ค่อยๆขยับเท้าเข้าไปก้มดูใกล้ๆและอดเท้าเขียดูที่ไหนได้เป็นพระหงมท่านก็หัวเราะคนเดียวพักใหญ่เลยหายง่วง การเป็นอยู่ของพระเอ็นสมัยนั้นอยู่กันอย่างประหยัดบินทบาทแผลผู้ดวงควัตดูชาวบ้านเขาโจมกหอ อ, อาหารใส่บาตรพร้อมกับข้าวเหนียวไม่ได้นําอาหารตามมาส่งที่วัดแต่ว่าศรัทธาของชาวบ้านแถานั้นเขาดีมากทั้งๆ ท, ที่อดอยากโดยเฉพาะแล้วเรื่องอาหารการกินเขามี ก, กบหรือเขียตัวเดียวอย่างนี้เขาก็แบ่งใส่บาตรได้สี่บาทรสี่องค์ก็มี ในคราวที่อดอยากเมื่อเขือลูกเดียวอย่างนี้เขาจะผ่าใส่บาทได้วยสีองค์ทั้งนี้เนื่องจากทางอิสานนั้นกันด่านน้ำโดยเฉพาะหน้าแรงบางแห่งต้องได้กินน้ำในตักพร้อมทั้งไปตักออกไกลด้วยเป็นสองถึงสมกิโลเมตรก็มีเพราะขุดบ่อไม่มีน้ำถึงจะมีบางแห่งน้ำก็เค็มกินไม่ได้ และสิ่งที่ตามมาเรื่องก็คือความอดอยากเรื่องอาหารการกินภาคอื่นบางคนมักจะว่าคนอีสานนี้กินไม่เลือกก็เพราะเหตุว่าความที่มันหาไม่ได้นั่นเองมีอะไรเขาก็จับกินไปพวกน้ำร้อนน้ำชา โกโก้กาแฟและน้ำตาลอย่างนี้ไม่ต้องถามหาแม้แต่ภาพยังไม่เคยเห็นเลยอาศัยเอาแก่นไม้รากไม้ใบไม้มาต้มฉันนานๆจะมีน้ำอ้อยก้อนทีหนึ่งแต่ก้อนน้ำอ้อยสมัยนั้นอร่อยมากก้อนเดียวแบ่งกันฉันสามถึงสี่องค์ก็ยังพอและอร่อยด้วยไม่เหมือนน้ำอ้อยสมัยทุกวันนี้บางปีพระนิน ป่วยเป็นไข้มาลาเรียเกือบหมดทั้งวัดยังเหลือแต่ท่านพระอาจารย์มหาบัวและพระอีกองค์หนึ่งก็มีเป็นผู้ทากิ จ, จวัตรประจำวันเช่นปัดกวาดลานวัดและตักน้ำใช้น้ำฉันบางครั้งท่านอาจารย์สิงห์ทองก็ป่วยหนักจนชาวบ้านได้พากันออกมานอนเป้ารักษาแต่ท่านอาจารย์เคยเล่า ว, ว่าได้กำลังใจดีในเวลาป่วยเพราะ ไม่มีที่พึ่งจะพึ่งกายก็ไม่สบายป่วยไข้ซึ่งโอกาสพิจารณามากเมื่อพิจารณาก็อยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็รู้ก็เข้าใจในเรื่องของกายของจิตครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านได้กำลังใจเพราะการป่วยไข้นี้มีมากๆเลยและกำลังใจท่านก็เข้มแข็งไม่เหมือนพระนักปฏิบัติทุกวันนี้ เ อ, อกก็หมอเ อ, อกก็หมอนิโรธของนักปฏิบัติก็จอยู่กับหมอไม่ได้อยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังใจก็อ่อนแอเอามากๆเลยเห็นแล้วบางทีก็หนหวยคือํำคาญในช่วงปีพุทธศักราช2495ถึง2497นี้ พอตกหน้าแลง้งบางปีท่านจะออกไปเที่ยววิเวกตามที่ต่างๆเช่นภูผาผูปู่ก้าวปู่อจก้อแถวนั้นท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองสูงปัจจุบันบ้านหนองสูงเป็นกิ่งอำเภอและชื่อจริงของวัดก็ไม่ทราบพักอยู่กับท่านพระอาจารย์กงแก้วมีชาวบ้านหนองแต้ ถ้าจําไม่ผิดเขานิมนต์ให้ท่านไปดูที่ให้เขาคือไปเหยียบที่ให้เขาเพราะที่หัวหนาของเขานั้นแรงมากคือเข็ดมากจะไปตัดไม้ตัดปืนในบริเวณนั้นไม่ได้จะต้องมีอันเป็นไฟให้เห็นจนเป็นที่รู้จักกันว่าที่นั้นมันแรงเขามานิมนต์ท่านท่านก็ไปแต่นี่ไม่ทราบว่าท่านไปด้วยกันสององค์หรือองค์เดียว จำไม่ได้พอไปถึงแล้วเขาก็พาท่านเข้าไปในที่แห่ง น, นั้นที่นั้นจะทําเป็นหอเล็กๆไว้เมื่อท่านอาจารย์ไปถึงแล้วท่านก็ว่าไหนผีมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็ขี่ใส่นั่นไม่ทราบว่าท่านปวดขี่มาแต่เมื่อไรเสร็จแล้วออกมาท่านว่าทําไปเลยมันไม่มีผีดอกหน้า ไม่เห็นอะไรนี่แล้วท่านก็กลับวัดพอกลับมาถึงวัดถึงเวลาปัดกวาดทำข้อวัดก็ทำส่งน้ำส่งท่าเดินจงกรมพอค่มดึกพอสมควรก็ขึ้นกุฏิไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาแล้วก็พักผ่อนหลับนอนฝันเห็นผีเมื่อท่านนอนหลับเทิมไปแล้วฝันว่า เห็นมีคนสองคนเดินคุยกันมาเดินผ่านสนามบินในเตียงสิริขันมารูปร่างใหญ่สูงมากดําท่านว่ามองเห็นแต่ไกลเพราะสูงกว่าป่าไม้แถวนั้นสูงประมาณสิบกว่าเมตรแล้วเดินเข้าไปในวัดพูดกันว่าไหนมันอยู่ไหนแล้วก็ตรงไปยังกุฏิของท่านอาจารย์กุฏิของท่านเพียงเข่า ของคนสองคนนั้นเท่านั้นระยะนั้นท่านอาจารย์ก็ว่าท่านปรากฏว่าตัวเองนอนอยู่และร่างของท่านก็ปรากฏว่าใหญ่ยากออกเหมือนกันในความรู้สึกของท่านนั้นว่าจะไม่หนีจะสู้แล้วคนหนึ่งก็ก้มลงส่องดูท่านอาจารย์แล้วพูดว่าเอ้าหลานของเราอย่าทาท่านแล้วก็พากันกลับ พัรษาที่12ในปีพุทธศักราช2498อันเป็นพรรษาที่12ของท่านท่านได้ติดตามพระอาจารย์มหาบัวไปจังหวัดอุดรธา น, านีเพื่อเยี่ยมโยมบรรดาของท่านพระอาจารย์มหาบัวแต่ท่านพระอาจารย์มหาบัวได้พายโยมแม่ของท่านไปจําพรรษาที่ใกล้สถานีชดลองกเกษตรกรรมน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันท บ, บุรี ซึ่งเป็นสถานที่เขาถวายใหม่ท่านเล่าให้ฟงว่าญาติโยมแถวนั้นภาวนาเก่งกับหลายคนท่านอยู่ภาคตะวันออกได้ปีเดียวเนื่องด้วยโยมมารดาของท่านพระอาจารย์มหาบัวไม่ค่อยสบายอยากกลับบ้านท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงได้พาโยมมันดาของท่า น, านาากลับอุดรจึงได้ส่งปัจจัยค่าเดินทางไปให้ท่านในหมู่ที่ยังเหลืออยู่ จึงได้เดินทางกลับอุดรโดยนั่งเรือโดยสารมาลงที่กรุงเทพและเดินทางต่อไปยังวัดปากบ้านตาซึ่งสมัยนั้นเพิ่งจะเริ่มสร้างวัดในปีพุทธศักราช2499สติปัญญากล้าท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าคราวที่สติปัญญามันกล้ามันกล้าจริงๆ พิจารณาอะไรเรื่องี่จใจติดข้องหรือสงสัยมันก็เหมือนกันกันกบว่าทิ้งเศษกระดาษใส่กองใบใหญ่ๆมันแวบเดียวแวบเดียวเท่านั้นมันหายสงสัยมันขาดไปขาดไปตกไปตกไปจึงทำให้เพลในการพิจารณาเมื่อท่านพิจารณารู้เท่าเรื่องของร่างกายทุกส่วนแล้วจิตก็ปล่อย เรื่องของรูปกายรูปกายทั่วไปหายสงสัยแล้วจิตของท่านก็ว่างปรากฏว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างของจิตทั้งๆ ท, งที่สิ่งทั่วไปมันก็มีอยู่เหมือนเดิมของโลกแต่จิตของท่านเหมือนว่างจึงเป็นเหมือนกันกันกบว่าไม่มีอะไรมีแต่ความว่างของจิตท่านว่าจิตว่างนี้ ยังไม่ใช่นิพพานดอกนาบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตว่างนี้เป็นนิพพานท่านว่ายังไม่ใช่เพราะยังติดความว่างอยู่เมื่อผ่านไปแล้วค่อยรู้และอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วช่วยแนะนำให้ท่านว่าจะต้องย้อนจิตเข้ามารู้ตัวผู้ที่รู้ว่าว่างนั่นอีก เมื่อท่านหมดปัญหาในเรื่องของรูปกายทุกส่วนแล้วท่านก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อทีนี้จิตของท่านจะไหลเป็นน้ำซับน้ำซึมคือมันเป็นของมันเองโดยไม่ต้องได้บังคับอะไรสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองและก็เป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้จะต้องเป็นอยาน่างนี้ท่านว่า ไม่มีเวลาเหลืเลยท่านทุกระยะที่จิตปรุงสมควรจะพิจารณาหรือปล่อยมันรู้ของมันเองเว้นไว้เสียแต่ตอนหลับเท่านั้นก่อนจะหลับท่านได้พิจารณาไปถึงไหนก็ตื่นรู้สึกตัวขึ้นจะพิจารณาต่อได้เลยมิแต่อารมณ์ของธรรมพิจารณาจนหมดความสงสยัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของรูปของนาม จิตของท่านก็หลุดลอยออกไปจากสมุติเมื่อได้อยู่ในวงของสมุติเหมือนเดิมสมมุติทั่วไปเข้าไปไม่ถึงจิตของท่านแต่จิตของท่านอาจารย์นี้ไม่มีขนาดเหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นเป็นชนิดที่เหี่ยวแห้งไปเลยคือจิตชนิดนี้ในตำราก็คงมีบอกจากนั้นไปท่านว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อน คือมันไม่ติดกับอะไรเหมือนกับทิ้งเมล็ดงาใส่ปลายเข็มท่านว่ามันไม่ติดซึ่งสมัยแต่ก่อนที่ยังมีกิเลนอยู่มันก็รู้เมื่อมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จละจะบำเพ็ญจะไม่รู้ได้อย่างไรท่านว่ามันรู้แต่สมมติทั่วไปของโลกที่ใช้กันก็ใช้ไปธรรมดา บางคนอาจจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ว่าท่านหมดกิเลสแล้วทำไมจึงดุและดุเก่งด้วยท่านว่าอันนั้นมันเป็นพลังของธรรมะมันไม่ใช่กิเลสเราเคยเป็นมาเรารู้ท่านว่าพวกเรานี้จิตยังไม่เป็นธรรมมันมีแต่พลังของกิเลสเมื่อเห็นท่านแสดงอาการอย่างนั้นก็เข้าใจว่า จะเหมือนกันกันกบเราท่านว่าถ้าอยากรู้ให้ปฏิบัติเมื่อจิตถึงที่สุดหมดความสงสัยในตัวแล้วจะรู้เองพันศาที่สิบสามถึงสิบหพันศาที่สิบสามถึงสิบสี่ในปีพุทธศักราช2 4 9 9ถึงสองพันห้าร้อท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาครั้ง เมื่อออกภาษาแล้วญาติทั้งบ้านสีฐานได้เขียนจดหมายมาบอกว่าสามนเณรน้อยสามนเณรอุ่นจะต้องคัดเลือกทาหารในปีพุทธศักราช2 5งพเมื่อเศรษฐุระคือรับกะถินทำธุระเกี่ยวกับการตัดเย็บจีวรเสร็จแล้วก็ได้พาสามนเณรน้อยสามนเณรอุ่นไปบ้านเพราะเนียนสององค์นี้เป็นลูกน้องสาวของโยมแม่ของท่าน ท่านจึงต้องได้เป็นภาระพาไปพอดีเมื่อไปถึงแล้วปรากฏว่ายัางไม่ใช่ปีนั้นจะเป็นปีพุทธศักราช2502แล้วท่านจึงได้พาสมเด็จสององค์นั้นไปเที่ยววิเวกต่อเพื่อทางอำเภอมุกดาหารคือจังหวัดมุกดาหารแถวภูวัดบ้านโรงมันและภูเก้าที่อยู่ใกล้เคียงกับปูจอก้อท่านพระอาจารย์ลา และขณะนั้นท่านพระอาจารย์ลาก็อยู่ปูจอกก้ท่านไปเยี่ยมพระอาจารย์สิงทองที่ปูเก้าจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปอยังบ้านห้วยทรายซึ่งระยะนั้นท่านพระอาจารย์สีมหาวีโรท่านได้พาพระนินสิทธิ์ของท่านพักอยู่ก่อนแล้วพักอยู่ที่บ้านห้วยทรายก่อนหน้าที่ท่านพระอาจารย์จะไปถึง มีชาว บ, บ้านหุ่นตายคนหนึ่งชื่อว่าพ่อปันเขาจะซืที่เขาจึงมากราบเรียงท่านพระอาจารย์สีว่าจะสมควรซื้อไหมเพราะที่แห่งนี้มันแรงมากคือเกศมากมีน้ําไหลตึมอยู่ตลอดทั้งหน้านแรงหน้าฝนท่านพระอาจารย์สีเลยบอกว่าถ้าเขาจะขายก็คือเอาไว้เสียแล้วอตมาจะไปพักให้ดอกเพราะที่มันแรง ยิ่งกว่านี้ก็เคยได้ไปพักให้เขาอยู่แล้วพ่อปันก็เลยซื้อเอาที่แห่งนั้นแล้วก็ทำแต่แค่ร้านไว้เจ็ดแห่งเพราะพระเนนที่ไปกับท่านพระอาจารย์สีหลายองค์เมื่อเขาทำเสร็จแล้วก็มานิมนต์ท่านให้ไปพักให้ก็พอดีท่านอาจารย์สิงห์ทองไปถึงท่านอาจารย์สีก็เลยพูดว่าเอ้าครูบาไปพักให้เขาหน่อย เพราะท่านอาจารย์สีอ่อนกว่าจึงเรียกว่าครูบาท่านอาจารย์ว่าก็ใครบอกให้เขาทําเข้าไปตีแล้วเถียงกันไปเกี่ยงกันมาท่านอาจารย์สีว่าหมูพมมากให้ครูบานั่นแหละไปผลที่สุดท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้แพ้เดยได้ไปพักที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นอยู่ใกล้กับสำนักของคุณแม่ฉีแก้วเวลาออกไปจากบ้านหัวยสายจะมองเห็น ท่านได้ไปกับสามมะเนยน้อยส่วนข้าพเจ้าท่านให้ไปด้วยให้ดูแลรักษาบริขารที่ไม่ได้เอาไปด้วยท่านไปถึงวันแรกพอจะค่ำท่านก็ส่งน้ําแล้วก็ลงเดินจงกรมพอเหนื่อยและดึกหน่อยท่านก็ขึ้นแคร่ขึ้นร้านไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะนั่งภาวนาก่อนจะนั่งภาวนาท่านได้ดึกในใจว่า ถ้าหากมีเจ้าที่เจ้าทานอยู่นี้ก็ขอให้ขยับขยายไปที่อื่นเสียเพราะที่นี้ชาวบ้านเขาจะทำอยากทำกินทำทานหรือว่าถ้าไม่ไปแล้วก็อย่าเบียดเบียนเขาท่านนึกอย่างนั้นแล้วก็นั่งภาวนาที่แปลกผิดสังเกตอยู่ว่าน้ำที่เคยไหลซึมอยู่นั้นปรากฏว่าย่นเข้ามาทุกวัน คือแห้งเข้ามาแห้งเข้ามาจนวันที่เจ็ดยังเหลืออยู่แต่ฝากบ่อเท่านั้นพอท่านพักอยู่ได้ครบเจ็ดวันแล้วท่านก็กลับวัดพญานาตโอพยโกหนีไปท้ำม่วงต่อมาคุณไม่ชีเจียงซึ่งอยู่สำนักชีใกล้ที่แห่ง น, นั้นแม่ชีองค์นี้เป็นน้องสาวของดวมพ่อพระอาจารย์ถวายวัดป่าบ้านนาคำน้อย อำเภอ Nam Som เขาไปจังหันที่วัดแล้วถามท่านอาจารย์ว่าได้ปรากฏอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่ามันจะมีอะไรไม่ฉี้เกียงเลยพูดว่าเขาไปลาข้าน้อยถามเขาว่าจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปอยู่ท่าม่วงทำไมจึงจะไปท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกท่านบอกว่าอย่างไรเขาก็พูดให้ฟังคำพูดนั้นเป็นคำพูด คำเดียวกับที่ท่านอาจารย์นึกและไม่ฉีกเกียงยังบอกให้แสดงรอยว่าให้ดูด้วยเวลาเช้าไม่ออกไปจังหันได้พาแม่ออกไปดูเป็นรอยคล้ายๆกั บ, บรอยรถยนต์คุณไม่ฉีกเกียงพูดต่อมาคุณไม่ฉีกเกียงก็พูดอีกว่ามีเจ้าพี่อยู่ผูหินขันบ้านดงมันอำเภอมุกดาหารมาลาว่าผมจะไปเกิด ผมเวลาท่านอาจารย์ถิ่นทองมาไม่ชเจียงถามว่ารู้จักท่านด้หรือเขาบอกว่ารู้เขาได้เคยไปปฏิบัติท่านอยู่ที่ภูวัดบ้านดงมันเพราะเขาสองลูกนี้อยู่ใกล้กันอยู่คนละฝั่งทางผมอยู่ภูปิ่นขันนี้มาได้สองหมื่นปีแล้วผมจะไปเกิดแต่ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนและเกิดเป็นอะไร ความรู้ของท่านอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านนี้ตามที่เคยอยู่กับท่านมาเข้าใจเอาเองว่าความรู้ของท่านในด้านนี้ไม่มีบางคนอาจจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาไปแล้วจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นไม่ใช่จะเป็นได้เฉพาะบางรายเท่านั้นไม่ทั่วไปแต่ว่าอัจฉรยะยานคือรู้ว่ากิเลสหมดไปนี้เหมือนกันหมด ส่วนความรู้ปลีกย่อยนี้ไม่เหมือนกันผู้ที่ได้ศึกษาตำราทางศาสนามากจะเข้าใจแต่ผู้ที่ศึกษาน้อยอาจจะยังสงสัยจึงได้เขียนไว้ในที่นี้ด้วยพยายนาคที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้กลับมาที่เดิมแล้วและก็มีน้ำไหลซึมออกมาอีกเหมือนเดิมจากนั้นท่านก็ได้เที่ยววิเวกต่อไปทางอาเภอาธาตพนม และนครพนมกลับมาอำเภอนาแกพักอยู่ที่ทถ้ำตาหดปัจจุบันชื่อถ้ำโพทองบ้านแจ้งมหักพักอยู่นั้นได้ประมาณหนึ่งเดือนมีเรื่องที่กบขันอยู่เรื่องหนึ่งคือเมื่อท่านพักอยู่นั้นชาวบ้านยังไม่รู้จักท่านเพราะไม่เคยอยู่มาก่อนเขาพากันถามเป็นชื่อของท่านท่านก็บอกชื่อทั้งว่ายาพ่อผักกระโดนคือปกติ ทนอาจารย์จะชอบฉันผักเป็นพิเศษและหน้านั้นผักกระโดนกําลังออกดอกท่านก็เลยบอกชื่อของท่านแบบนั้นชาวบ้านพากันหัวเราะพอพักที่นั้นพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับบ้านห้วยทรายและจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายในปีพุทธศักราช25งพหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็กลับบ้านสีฐานอีก ประมาณเดือนธันวาคมพาสัมมณี น, น, น้อยสัมมณีนนอุ่นไปรับใบใหมายเรียกจะเข้าเกณฑ์ทหารแต่เนื่องจากสัมมณีนนสององค์นี้สอบนักธรรมได้คือทางการเขาอนุญาตให้ยกเว้นได้ท่านก็จึงขอให้เขายกเว้นให้เมื่อเสร็จธุระแล้วท่านก็ออกจากบ้านสีฐานไปทางอำเภอมุกดาหารไปพักอยู่ที่ปูวัดเพราะว่าปูวัดนี้อากาศดี ท่านอาจารย์ชอบสถานที่แห่งนี้มีเวลาผ่านไปทางนั้นท่านจิงมักจะไปพักอยู่บ่อยเมื่อพักอยู่พอสมควรแล้วก็เดินทางต่อไปอย่างภูเ ก, ก้าบ้านโคกกลางสมัยก่อนขึ้นกับอำเภอคําชอีแต่ทุกวันนี้คงขึ้นกับอำเภอมิคมคาด้อยครั้นพักอยู่ที่ปูเ ก, ก้าพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางต่อไปอยังบ้านหัวาย ได้ได้ทำการบวชพระให้แก่สัมมเนยน้อยสัมมเนยอุ่นในปีพุทธศักราช 2,502 ท่านก็ได้จงพรรษาที่บ้านหัวสายอีกเป็นสองพรรษาพรรษาที่ 17-19 ถึงเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาทางจังหวัดบุดร เข้าไปยังสำนักบ้านตาดและในปีพุทธศักราช2503นั้นก็ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดครั้นออกพรรษาแล้วก็ได้เดินทางไปวัดป่าหนองแสงหลวงปู่บัวจิริคุโนพักพอสมควรแล้วก็เดินทางต่อไปอยังวัดถ้ำกลองเพงลหลวงปู่ขาวอนาลโย ขณะนั้นท่านพระอาจารย์จวนท่านก็พักอยู่นั้นแล้วท่านก็เลยชวนกันไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ไปด้วยกันมีท่านพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์เพียนหลวงพ่อไทยและสมัมมเนมอีกหนึ่งองค์ชื่อเน่งคำสีทีแรกท่านก็ได้นั่งรถแต่เมื่อหมดค่ารถแล้วก็เดินท่านพูดว่าการเดินทางคราวนี้ ลำบากมากเพราะขึ้นขึ้นลงๆตามเขาระหว่างเมืองเลยต่อนครไทย เ, เหนื่อยมากไม่เหมือนเดินตามที่รากและเดินทางจนถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยนั่งรถบ้างเดินบ้างเมื่อไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ได้ไปดูหลายแห่งและพักอยู่นานพอสมควรทันว่าทางเชียงใหม่นี้ ไม่เป็นที่สบายของท่านท่านก็ได้เดินทางกลับอีสานอีโดยนั่งรถไฟตอนที่นั่งรถไฟกลับท่านก็เล่าเรื่องขบขันให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยคุยไปหลายเรื่องหลายราวพระองค์นั้นพูดว่าท่านได้ภาษาทุกภาษาท่านอาจารย์คงจะราคาญหรือท่านคิดจะหยอกเล่นก็ไม่ทราบก็พูดภาษาอันหนึ่งขึ้นมา สำเนียงเหมือนสำเนียงภาษายวนแต่คำพูดนั้นองค์ท่านเองก็ไม่รู้จักเป็นภาษาป่าพอตกประโยคท่านอาจารย์จวนก็ขึ้นรับเลยสำเนียงคล้ายๆกันโดยที่ไม่ได้นัดกันเอาไว้เมื่อพูดแล้วก็หน้าตาเฉยพระองค์นั้นมองหน้าเพราะท่านติดภาษาป่าท่านว่าจ้างมันก็ไม่รู้ดอก แต่คนเราพูดเองยังไม่รู้ท่านว่าในปีพุทธศักราช2504ถึง2505น้าี้ท่านจำพรรษาที่บ้านหัวใจอีกเมื่อออกพรรษาได้เวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้เดินทางมาอุดร อ, อ, อีกเข้าไปที่วัดป่าหนองแตงหลวงปู่บัวครั้งพักอยู่ที่วัดป่าหนองแตง ได้นานพอสมควรแล้วก็ได้กลับหลวงปู่บัวพาครูบาอุ่นไปที่วิเวทางถ้ำจันอำเภอบึงการหนองคายในระยะนั้นพวกทหารป่าพอกคอกำลังเริ่มระบาดพวกทหารคอยสอดสองดูแลอยู่ทุกแห่งที่ถ้ำจันนั้นแต่ก่อนยังเป็นโรงหนาป่าทึบเมื่อท่านอาจารย์จวนไปพักอยู่ที่นั้น ก็ได้มีชาวบ้านพากันอบพยศเข้าไปปลูกบ้านบุกเบิกป่าในระยะนั้นก็มีอยู่ประมาณ 30-40 ครอบครัววันหนึ่งพอทำข้อวัดปัดกวาดเสร็จก็ส่งน้ำอาบน้ำกันเสร็จแล้วก็รวมกันฉันน้ำร้อนและพูดคุยกันไปหน่อยข้าพเจ้าคือครูบาอุ่นจึงออกไปเก็บภาคน้ำ ที่ปากภูไว้กับลานหินมองเห็นเครื่องบินปีดตัดบินข้ามมาจากฝั่งลาวมองเห็นเครื่องบินลํานั้นเอียงปีดและบินผ่านเข้ามาอย่างท่าจันข้าพเจ้าก็เลยกวักมือใส่เครื่องบินลํานั้นก็คงจะเป็นเครื่องบินลาดตระเวนพอเครื่องบินลํานั้นเห็นก็เลยบินวนบินเวียนอยู่นั้นเขาคงปิดสังเกตคงจะเข้าใจว่าเป็นทัพของพวกปอกคอ จึงได้บินอย่างนั้นบินวนบินเวียนอยู่จนมืดได้ประมาณทุ่มเศษแล้วค่อยหนีท่านพระอาจารย์จวนก็ได้ไปใช้สองกระบอกส่องขึ้นไปใส่เครื่องบินแล้วเต้นลอ้อเครื่องบินยิ่งวนเวียนกันใหญ่ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกคิดดูธรรมดาแล้วมันก็บ้าทั้งสองทางนะทั้งทางอากาศและทางดิน พวกเราก็ไม่กลัวเพราะพวกเราไม่มีอะไรนี่ดีเขาไม่ยิงปืนลงมาใส่ถ้าเขายิงปืนลงมาก็จะกลัวอยู่แหละเพราะลูก ป, ปืนมันไม่ใช่ญาติพี่น้องของใครเมื่อพักอยู่ที่ถ้ำจันนานพอสมควรแล้วท่านก็ได้พากันมาทางอำเภอสว่างแดนดินพร้อมทั้งพระอาจารย์จวนและพระติดตามพระอาจารย์จวนพอดี เป็นงานส่งน้ำทาบุญครบครอบท่านพระอาจารย์พรหมวัดบ้านดงเย็นเมื่อเสร็จงานท่านแล้วก็ได้เดินทางต่อไปวัดดอยธรรมเจดีเป็นในงานเผาศพของท่านพระอาจารย์โกงมาเสร็จงานแล้วท่านพระอาจารย์จวนและพระติดตามก็ได้เดินทางไปวิเวแถทอาเภอนาแก่ถ้ำตาหดคือถ้ำโพทองท่านพระอาจารย์สิงห์ทองท่านก็กลับบ้านสิฐานอีก เพเยี่ยมโยมแม่ของท่านและได้เอาโยมแม่ของท่านบวชพร้อมกับน้องสาวของโยมแม่ของท่านซึ่งเป็นโยมแม่ของข้าพเจ้าคือครูบาอุ่นตอนที่เอาพวกโยมแม่บวชนี้ไปดึงออกมาเลยนะกระทั่งพ่อของพวกโยมแม่พวกโยมแม่ก็ไม่ได้ลาเพราะผู้เท่าไปทุกนายยังไม่กลับ ครั้นต่อมาสองถึงสามวันผู้เท่ามาตักบาทไม่เห็นลูกสาวมาตัดบาท ด, ด้วยก็เลยถามหมู่ที่ตักบาทอยู่ด้วยกันว่าเขาอีอกอีบุผาไปไหนไม่เห็นมาตักบาทรสองถึงสามวันแล้วพวกหมู่ที่รู้จักก็หัวเราะแล้วบอกว่าท่านอาจารย์สิงทองเอาไปบวชแล้วและไปแล้วไปทางสกลอุดรโน่นแหละผู้เท่าก็เลยออกอุทานว่า โอ๊ยมันจะบวชมันก็ไม่บอกกูสักคำเนาะคิดแล้วก็น่าสงสารเท่เท่ามัวแต่ไปทุ่งนาหลานขโมยเอาลูกสาวหนีจ้อยในระยะนั้นอายุของโยมแม่ของท่านอาจารย์ได้ประมาณ 66-67 ถึงปีแล้วท่านอาจารย์ก็ได้พายโยมแม่ของท่านเดินทางไปอุดรเข้าไปสู่วัดป่าบ้านตาบ ที่วัดป่าบ้านตาดกับท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ประมาณสองเดือนคือที่วัดป่าบ้านตานี้ท่านอาจารย์ไม่ลูกกับอากาศที่ท่านได้เคย อ, อยู่มาสามปีปีแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอปีที่สองที่สามนี้แพ้มากคือคันตามตัวตามผิวหนังอ่อ น, ออนแล้วเป็นสุ่มขึ้นพองคล้ายๆกับผื่ไหมเสร็จแล้วก็เปื่อยขอโทษเวลาท่านจะบินทบาท ต้องได้เอาผ้ามัดเอาไว้เพราะกลัวน้ำเหลืองติดผ้ามันเป็นที่รูกอันธะด้วยจนจะเดินไม่ได้บางทีในช่วงนั้นคุณหมออวยเกษิงก็ได้เข้าไปวัดฝาบาตาสาดบ้างแล้วท่านสงแต่น้าเอาน้ำไปตรวจไปวิจัยก็ไม่พบอะไรท่านอาจารย์เคยพูดว่าอุตส่าหปายะอากาศไม่เป็นที่สบายมันเป็นอย่างนี้ท่านเคยแล้วว่า ถ้าหากว่าอากาศไม่ผิดกับท่านอย่างนี้ท่านจะอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาบัวไปตลอดเพราะการอยู่กับครูบาอาจารย์ภาระธุระมันน้อยไม่เหมือนอยู่เฉพาะเราเพราะภาระส่วนมากก็เป็นของครูบาอาจารย์เรามีเพียงแต่คอยรับใช้ท่านมันสะดวกสบายดีท่านเคยพูดเมื่อท่านไปอีกพายโยมแม่ไปก็แสดงอาการขึ้นอีก โรคที่ว่าแต่เมื่อออกไปจากวัดป่าบ้านตัดแล้วก็หายโดยที่ไม่ต้องได้ฉันยู่ฉันญาอะไรจะอยู่วัดป่าบ้านตัดนั้นทั้งฉันญาทั้งคายามันก็ไม่หายเมื่อเริ่มมีอาการเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วท่านก็จึงกราบเรียนท่านพระอาจารย์มหาบัวว่าจะต้องได้พาโยมแม่ของท่านออกไปอยู่ที่อื่นแล้วท่านก็ปรึกษากันว่าจะพาไปอยู่ที่ไหนก็เลยตกลง จะไปอยู่กับหลวงปู่บัววัดราชสงเคราะห์คือวัดป่าหนองแจงผีเปรตบ้านกุดเรือดำขอย้อนกลับมาพูดเรื่องผีเปรตอีกครั้งในปีหนึ่งท่านได้ออกเที่ยววิเวกในหน้าแล้งเมื่อท่านวิเวกมาถึงบ้านกุดเรือดำเป็นเวลาจวนจะมืดบ้านกุดเรือดำตำบลกุดเรือดำอำเภอว่านอนอนิวาส สกลนครท่านเข้าไปในวัดพระเนนก็ต้อนรับจัดสถานที่พักให้พระละวากุติว่างก็มีอยู่หลายหลังแต่จัดให้ท่านและท่านอาจารย์เพียงพักที่าลาปริยติธรรมสังเกตดูพระเนรรวมกันอยู่กุติละหลายองค์ทั้งทั้งที่กุติว่างยังมีเมื่อท่านสมงน้ำเสร็จท่านก็ครองผ้าไปกราบเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสชื่อพระอุปชาเอน ให้ท่านอาจารย์เพียนอยู่เป้าบริฐารครั้นกราบท่านแล้วก็พูดคุยกันต่อจนเป็นเวลาประมาณสามทุ่งท่านจึงกลับมาที่พักแล้วก็ทาวัดไว้พระสวดมนต์ยักไม่ทันถึงไหนท่านได้ออยินเสียงดังข้างนอกก็แ ก, ก๊กก็แ ก, ก๊กนึกว่าหมามันจะมาคาบรองเท้าหนีเพราะเป็นรองเท้าหนังท่านจึงหยุดออกไปเก็บรองเท้าเข้ามาไว้ข้างใน และไหว้พระต่อเสียงนั้นก็ยังดังอยู่ดังเข้ามาในห้องทีนี้เมื่อไหว้พระเสร็จท่านก็ส่องไปฉายไปดูท่านเห็นอาจารย์เพียรนั่งภาวนาอยู่จึงถามท่านอาจารย์เพียรว่าเสียงอะไรท่านอาจารย์เพียรตอบว่ามันดังอยู่นานแล้วบางทีเข้าใจว่าตู้พระไตรปิดกล้มท่านอาจารย์เพียรพูดถ้าดับไฟเสียงจะดังขึ้นถ้าเราฉายไฟไปเสียงก็เงียบ ก็เลยพากันดักดูพอเสียงดังขึ้นต่างองค์ต่างก็ส่องไปฉายไปดูก็ไม่เห็นพบอะไรเมื่อดูอยู่ชั้นล่างเสียงจะไปดังอยู่ชั้นบนเพราะศาลาเป็นสองชั้นเมื่อตามขึ้นไปดูชั้นบนก็จะมาดังอยู่ชั้นล่างจนท่านทั้งสององค์แน่ใจว่านี่คงจะเป็นประเลแน่แล้วท่านอาจารย์สินทองก็เลยพูดว่า ถ้าเป็นเปรตจริงก็อย่ามารบกวนเพราะเดินทางเหนื่อยจะเป็นบาทเป็นกรรมหนักยิ่งกว่าเก่านะให้ได้พักบ้างจากนั้นจิงก็ได้เงียบไปตลอดคืนไม่มีเสียงรบกวนอีกคนที่เป็นเปรตคนที่เป็นเปรตนั้นเดินเป็นทา ย, ยกวัดเก็บปัจจัยของวัดแล้วนำไปซื้อหวยซื้อเบอร์ยังไม่ทันได้ใช้แทนและไม่ได้สั่งบอกลูกเมียไว้เมื่อตายไปแล้วจิงเป็นเปรต ชาวบ้านก็ไม่รู้แน่ว่าเป็นใครกันแน่แต่สงสัยเพราะคนนี้ตายไปจึงมีเปรตลูกเมียก็ทําบุญอุทิศให้แต่ก็ยังไม่หายครั้นต่อมามีคนเห็นเพื่อเห็นทายกคนนั้นนั่งห้อยเท้าค ว, ขวายขาอยู่ที่ใดแห่งหนึ่งในวัดจึงได้แน่ใจว่าเป็นคนคนนี้แน่ๆและลูกเมียก็ตกใจเกี่ยวค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวกับเงินของสงที่แกเก็บรักษาไว้ เสร็จแล้วก็ได้นําเงินมาแทนมามอบคืนสงเปรตนั้นจึงได้หายพารรษาที่2ี่ถึง21สพระอาจารย์สิงห์ทองได้พาโยมแม่ของท่านไปอยู่กับหลวงปู่บัวซิริปุโนวัดป่าหนองแตงในปีพุทธศักราช2506ถึง2507จและได้อยู่ด้วยความสะดวกสบายทุกอย่าง ด้วยอาศัยบา ร, รมีขอ ง, งปู่บัวซึ่งระยะนั้นก็มีแม่ชีเทียบเป็นหัวหน้าแม่ชีที่วัดป่าหนองแตงได้อยู่ที่วัดป่าหนองแตงนั้นสองปีเป็นพรรษาที่ 20- ่สถึงยีของท่านพระอาจารย์พรรษาที่22ถึง36มสาเหตุที่จะได้มาอยู่วัดป่าแก้วบ้านชุมพล ชาวบ้านในหมู่บ้านชุมพลบ้านขามบ้านคําเจริญสองสามหมู่บ้านนี้ส่วนมากจะมาจากจังหวัดอุบลอพยพมาจากเขตจังหวัดอุบลและชาวบ้านสองสาหมู่บ้านนี้ส่วนมากจะเป็นลู ก, ลกห ล, ลานๆของนักภูเขาวอนารโยวัดถ้ากลองเพลงซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ได้ติดตามปฏิบัติบงภูเขาวมาตลอดเช่นเมื่อปีที่ท่านพักจังหวัที่ปูเคาะ อำเภอวังสามหมอชาวบ้านเหล่านี้จะตามส่งเสียเรื่องสเสบียงอาหารมาตลอดเพราะที่ภูคอนั้นไม่มีหมู่บ้านที่จะบินทบาดจะต้องอาศัยชาวบ้านเอาสเสบียงไปส่งให้ไม่ชีทำถวายท่านและสมัยทิท่านพักจำพรรษาอ ย, อยู่ที่ภูวังอําเภอบึงการหนองคายเป็นต้นเฉพาะหมู่บ้านชุมพลวัดปากแก้วนี้ เป็นวัดที่หลวงปู่ขาวและหลวงปู่พรมบ้านโดงเย็นภารกิ์เริ่มสร้างขึ้นและท่านได้อยู่จำพรรษากับเขาสองปีคือปีที่ตั้งวัดที่แรกเป็นปีพุทธศักราช2494และปีพุทธศักราช2500ท่านกลับมาจากภูวัวในปีพุทธศักราช2508นี้ ชาวบ้านชุมพลได้ไปขอพระจากหลวงปู่ขาวเนื่องจากทางวัดป่ากแก้วบ้านชุมพลนี้ขาดพระที่จะอยู่ประจำวัดหลวงปู่ท่านจึงได้แนะนำให้ไปนิมนต์ท่านอาจารย์สิงห์ทองที่วัดป่าหนองแซงชาวบ้านได้พยายามติดตามอารัพนานิมนต์ท่านพระอาจารย์อยู่หลายครั้งหลายหนตั้งหกถึงเครั้งผลที่สุดก็ประสบความสำเร็จ เตุที่ท่านอาจารย์ไม่รับนิมนต์ง่ายนั้นก็เพราะท่านคิดว่าเมื่อช่ท่านองเดียวมีแม่ด้วยเกิดเมื่อไปแล้วโยวมแม่ไม่สะดวกจะลำบากเพราะอยู่กับหลวงปูบ่บัวนั้นสะดวกแล้วเมื่อท่านเห็นว่าชาวบ้านชุมพลเขาเอาจริงเอาจังและรับสารภาพทุกอย่างจะไม่ให้ครูบาอาจารย์และคุณแม่ขัดข้องจึงได้รับนิมนต์ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองยีนได้กราบลาหลวงปู่บัวแล้วผ่าโยมแม่และน้องสาวของโยมแม่ของท่านซึ่งบวชเป็นชีด้วยกันไปวัดปากแก้วพร้อมกับท่านอุ่นจําได้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2508เดือนเมษายนเป็นภรรษาที่22ของท่านอาจารย์ท่านอยู่วัดปากแก้วมาจนถึงปีพุทธศักราช2523 เป็นพรรษาที่สามสิบหอายุห้าสิบหกปีอันเป็นปีที่ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณะภาพณท้องนาทุ่งรังสิ์เขตหมู่ที่สี่ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพุทธศักราช 2,523 พร้อมกับท่านพระอาจารย์บุญมาทิตเเปโมวัดสิริสารวันบ้านนนททันท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถวัดผูท่ทอกท่านพระอาจารย์วันอุตโตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมท่านพระอาจารย์สุภพัตน์สุขกาโมวัดป่าประสิท ธ, ธิสามัคคีบ้านใต้ ได้รับความไว้วางใจท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้รับความไว้วางใจจากท่านพระอาจารย์มหาบัวมากท่านพระอาจารย์มหาบัวมักจะมอบหมายให้ท่านทําหน้าที่บางอย่างแทนท่านอย่างเช่นเป็นประธานด้านบัณชิตในการดําเนินงานศพของนุบูบัวสิริปุโนณวัดป่าห น, นองแตงจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านได้ทําหน้าที่เรียบร้อยทุกประการ ท่านพระอาจารย์มหาบัวได้ปรารภว่าหากท่านละขันธ์เมื่อใดขอมอบให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นประธานดำเนินการจัดงานศพของท่านนอกจากนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัวยังหวังให้ท่านพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นหัวหน้าหมู่คณะพระกรรมฐานแทนตัวท่านด้วยแต่บังเอิญท่านพระอาจารย์สิงห์ทองได้ถึงบุรณะภาพไปก่อน และท่านพระอาจารย์มหาบัวกลับมาเป็นประธานจัดงานศพให้ปฏิปทาด้านข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาด้านข้อวัดปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองนั้นเป็นเช่นเดียวกันกันกบปฏิปทาของครูอาจารย์กรรมฐานคือตัวท่านพระอาจารย์ จะปฏิบัติตนให้ลูกศิษย์ดูเป็นตัวอย่างเสมออาทิเช่นการรักษาศีลโดยเคร่งครัดรองทั้งดูดาว่ากล่าวเมื่อลูกศิษย์ผิดพลาดด้านศีลเพราะการที่ลูกศิษย์จะก้าวหน้าทางด้านสมาธิภาวานานั้นต้องมีพื้นฐานทางด้านศีลเป็นที่รองรับส่วนการทำความภักเพียนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานานั้นท่านจะปฏิบัติให้ลูกศิษย์ ได้เห็นเป็นตัวอย่างสม่ำเสมอทุกวันคือตอนเช้าท่านจะเดินจงกรมก่อนจะออกบินฑบาตฉั้นจังหันเจ็ดท่านจะพักประมาณเที่ยงจะลงเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้นถึงเวลาขัดกวาดลานวัดท่านจะไม่ยอมขาดถ้าไม่มีทุระจาเป็นจริงๆตอนรบคำ่ำห้าถึงหกโมงเย็นท่านจะเดินจงกรมเป็นประจำทุกวัน จะขึ้นจากทางจงกรมประมาณสองทุ่มทุกวันบางครั้งท่านไปธุระทางไกลามาพระเนรไปจับเส้นถวายพอจับเส้นเสร็จแล้วแทนที่ท่านจะพักผ่อนท่านจะลงเดินจงกรมอีกนอกจากนั้นท่านจะเดินสำรวจดูการปฏิบัติการทำความภักเพียรของพระเนรโดยบางครั้งท่านเดินไปมืดมืดไม่ใช้ไฟฉายและออกตรวจเม่เป็นเวลาแน่นอน ท่านพยายามขณะพระเนรให้เร่งทำความเพียรพร้อมกับเทศอบรมสั่งสอนอยู่เสมอเสมอท่านห้ามพระเนรไปคุยกันตามกุฏิฉันน้ำร้อนคุยกันเสียงดังหน่อยหรือใช้เวลานานเกินควรใช้ของไม่ประหยัดเช่นสบู่ใส่แล้วจึงไว้ตากแดดตากฝนไม่เก็บไว้ในกล่องท่านคอยตรวจตราดูดูแลข้อบกพร่องต่าง ของพระเนนและตัดเตือนว่ากล่าวอยู่เสมอถ้าใครทําความเพียรดีท่านมักจะชมเชยให้กำลังใจในด้านปฏิบัติแก่ผู้นั้ น, น ก, าจจการใช้สอยปัจจัยสี่การใช้สอยปัจจัยสนั้นท่านพระอาจารย์สึนทองท่านใช้อย่างประหยัดและมัธยสเสมอเช่นผ้าต่างๆของท่านจะปะจุนแล้วปะจุนอีกภาพน้ําบางผืน เก่าจมขาดรุ่งริ่งท่านก็ไม่ยอมทิ้งยังใช้นุ่งอยู่ทั้งที่ผ้าอาบน้ำมีไม่อดในวัดเวลากลางคืนท่านจะจุดตะเกียงโปะเล็กๆปรีลงเสียจนจะไม่มีแสงท่านไม่ยอมใช้ของฟุ่งเฟือยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างใจลูกสิ์อีกประการหนึ่งท่านไม่ชอบงานก่อสร้างทุกชนิดเช่นสร้างปุติวิหาร หรืออะไรต่ออะไรในวัดงานต่างๆท่านไม่ยอมให้มีท่านชอบให้พระเนมสร้างด้านจิตใจเพื่อเดินจงกรมนั่งภาวนาเพื่อมักผลนิพพานมากกว่าสร้างสิ่งของวัตถุภายนอกท่านว่าการก่อสร้างนั้นเป็นเหตุให้เสียการภาวนาท่านจึงไม่อยากให้มีธรรมะปฏิสันาน ในด้านธรรมะปฏิสันฐานท่านพระอาจารย์มีความเมตตาสูงต่อคณะศรัทธาญาติโยมที่มาให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมที่วัดปากแก้วคณะแล้วคณะเล่าท่านจะเมตตาอบรมธรรมะพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ด้านการภาวนาของท่านให้ฟังบางครั้งก็เล่าเรื่องผีซึ่งมีทั้งผีจริงและผีสังขารหลอกลวง ท่านจะดูแลเอาใจใส่อย่างรอบคอบที่เกี่ยวกับญาติโยมที่มารักษาศีลและปฏิบัติธรรมทั้งที่พักและเรื่องอาหารการกินทุกคณะที่มาบำเพ็ญภาวนาต่างพากันสรรเสริญคุณธรรมข้อนี้ของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความอบอุ่นสบายจิตสบายใจมากเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากแก้วเมื่อถึงกาหนด ผู้มาปฏิบัติธรรมจะลาทัานกลับท่านจะเทศอบรมธรรมะส่งท้ายเกือบทุกครั้งผู้ที่มาแล้วมักจะกลับมาอีกพร้อมกับแนะนําผู้สนใจปฏิบัติธรรมมาไปลู้สึกรรท่านอยู่เรื่อยๆกราบจนวาระสุดท้ายของท่านพระอาจารย์เรื่องเล่าประวัติของท่านพระอาจารย์นี้ข้าพเจ้า ไมได้นำมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเล่าเฉพาะบางส่วนเท่านั้นจึงได้ให้ชื่อว่าประวัติย่ออุ่นท่านพระอาจารย์อุ่นติตะคัมโม